สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่29ข้อที่7ถึงข้อที่11ครับสุภาษิตบทที่29ข้อที่7ถึงข้อที่11ภายใต้หัวข้อว่าอย่าคบคนงโง่โปรดฟังพรชเจนะของพระเจ้าครับคนชอบทำรู้จักสิทธิของคนยากจน คนชั่วร้ายไม่เข้าใจความรู้อย่างนี้คนมักย่อเย้ยกระทำบ้านเมืองให้ลุกเป็นไฟแต่ปราดแปลความโกรธเกลี้ยวไปเสียถ้าปราดมีเรื่องโต้เถียงกับคนโง่คนโง่ก็ดุเดือดทั้งหัวเราะและไม่มีสงบลงได้คนที่กระหายเลือดย่อมเกลียดคนที่ไร้ตําหนิคนชั่วร้ายแสวงชีวิตของเขา คนโง่ย่อมให้ความโกรธของเขาพุ่งออกมาเต็มที่แต่ปราดย่อมยับยั้งโทสะไว้เงียบๆพี่น้องครับเรากลับมาถึงการที่เราจะสามารถเลือกได้อีกแล้วนะครับเราสามารถเลือกที่จะเป็นคนโง่หรือเป็นคนชอบรำคนอัรรำนักปราดพี่น้องครับเมื่อเราสามารถที่จะเลือกได้ ผมอยากจะแนะนำว่าพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราอย่างชัดเจนครับคำแนะนำก็คืออย่าคบกับคนโง่ครับอย่าอยู่ใกล้คนโง่ครับระวังให้ดีพี่น้องครับเรามาดูไปที่ข้อนะครับพี่น้องจะเข้าใจว่าทำไมเราจึงไม่ควรที่จะคบกับคนอนธรรมคนโง่เขาในข้อที่7ครับได้บอกว่าคนชอบธรรมรู้จักสิทธิของคนยากจนแต่คนชั่วร้ายไม่เข้าใจความรู้อย่างนี้ ถ้าเราอยู่ใกล้กับคนชอบธรรมคนชอบธรรมมีสติปัญญาครับเราก็อยู่ใกล้กับความยุติธรรมเพราะคนชอบธรำนั้นต้องการเห็นความยุติธรรมมากกว่าการที่คนยากจนต้องถูกข่มเหงหมายความว่าย่งครับหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในสังคมนั้นสำหรับคนเยชอบธรรมแล้วจะต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นครับแต่สำหรับคนโง่คนชั่วร้ายเขาไม่สนใจครับว่า การโกลมเหงจะเกิดขึ้นกับคนยากจนหรือเปล่าเขาไม่สนใจว่าคนยากจนจะได้รับการปฏิบัติอย่างยดีธรรมหรือเปล่าความสัมพันธ์ของคนเราต่อพระเจ้าก็แสดงให้เห็นจากท่าทีของเขาต่อคนจนครับพี่น้องจะเห็นนะครับความสัมพันธ์ของคนเราต่อพระเจ้าจะดีหรือไม่ดีเราสามารถดูได้จากการที่เขามีท่าทีต่อคนจนคนขัดสนคนด้อยโอกาส เพราะคนชอบทำนั้นเขามีความเมตตาคนจนครับแต่คนชั่วร้ายไม่สนใจว่าคนจนจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรนั้นเราจะเห็นถึงท่าทีนะครับสัญชาตญาณหรือนิสัยของคนคนนั้นว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ดูที่ว่าเขาสงสารคนยากจนมากน้อยแค่ไหนในข้อ8ครับก็เปรียบเทียบระหว่างคนโง่ที่ขี้โมโห กับคนที่มีสติปัญญาคนฉลาดที่ซื่อสัตย์เราจะพบว่าคําว่าคนมักเยอะเย้ยนะครับซึ่งในพระคัมภีร์บางฉบับไม่มีแต่บางฉบับก็เขียนชัดเจนครับคนมักเยอะเยะ้ยกระทําบ้านเมืองให้ลุกเป็นไฟคนมักเยอะเย้ยนั้นเขาจะหัวเราะเยอะข้อบังคับด้านศีลธรรมเขาจะไม่มีความมีจริยธรรมมีมโนธรรมอยู่ในใจครับและไม่เพียงแต่เท่านั้น คนมักเยอะเย้ยเขายังก่อกวนให้เกิดความยุ่งยากมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่กระพือครับมันคนที่พัดโบกไฟที่อยู่ในเตาให้มันลุกขึ้นเยอะแยะมากมายกระพือยพัดเป่าให้มันเกิดความยุ่งยากคนมักเยอะเยะ้ยกระทำให้เกิดความโกลาหลทำให้เกิดเรียก ว, ว่าปุกปัน่นทำให้เกิดการดื้อดึงทำให้เกิดการกรบฏทาให้คนกโกรธพี่น้องครับในทางกลับกันปราด ช่วยให้บ้านเมืองสงบโดยแปลความโกรธเกรี้ยวไปเสียในข้อนี้ชัดเจนครับถ้าเราอยู่ใกล้คนโง่ระวังเขาโกรธนะครับถ้าเราอยู่ใกล้คนมักเยอะเย้ยนะครับคนก่อกวนนะระวังเขากระพือเขาพัดเป่าฐานที่คุอยู่คนเหล่านี้ครับเป็นคนที่ทำให้เกิดความยุ่งยากนำความเข้าใจผิดนำความปั่นปวนนำความโกลาหน เกิดขึ้นในสังคมสังคมใดสถาบันใดองค์การใดที่มีคนเหล่านี้เยอะนะครับก็ปั่นปวนครับอยู่ไม่เป็นสุขหรอกครับมันเหมือนกับลุกเป็นไฟเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านี้นั้นเป็นคนโง่เป็นคนโง่ที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงครับเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงคนโง่ไว้นะครับอย่าคบกับเขาในข้อที่9้าครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าปราดมีเรื่องโตเถียงกับคนโง่ คนโง่ก็ดุเดือดทั้งหัวเราะและไม่มีวันสงบลงได้ชัดเจนครับว่าอย่าไปโต้เถียงกับเขาครับเวลามีปัญหากันนะครับก็เดินออกเสียดีกว่าพี่น้องครับถ้าเราไปโต้เถียงกับคนโง่เขาไม่สงบครับความเดือดดาลของเขาคนที่หัวเราะเยาะเยะ้ยคนอื่นคนพวกเนี้ครับเขาไม่มีวันสงบเวลาที่เขาดุเดือดขึ้นมาเวลาที่เขาจุดไฟแล้วติด นะครับติดง่ายขึ้นมาเนี่ยครับมันจะเกิดการปั่นป่วนไม่สงบด้วยความโกรธของเขาเขาอาจจะมีความเดือดดานเขาชอบเยอะเย้ยเสียดสีเขาเอะอะโวยวายเขาใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนี่คือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงนะครับเราจะต้องอยู่ใกล้ปราดครับนะเราต้องอยู่ใกล้ปราดในขณะที่เราต้องอยู่ไกลจากคนโง่อย่าพยายามไปเอาชนะคดีความในศาลกับคนโง่ครับ พูดยังไงคือว่าอย่ามีเรื่องกับคนโง่ครับนะในข้อที่10ความซื่อสัตย์เป็นที่เกลียดชังของคนโง่อีกเหมือนกันคนที่ซื่อสัตย์ก็เหมือนกันครับก็เป็นที่เกลียดชังของคนโง่คนโง่นั้นอยากประหารคนซื่อสัตย์ให้ตายเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่เป็นพยานกล่าวโทษตัวเขาไม่เป็นพยานกล่าวโทษคนชั่วร้ายในศาลได้ พี่น้องในข้อที่10นั้นบอกชัดเจนนะครับคนที่กระหายเลือดนะครับย่อมเกลียดคนที่ไร้ตําหนิคนที่ไร้ตรรนิก็คือคนซื่อสัตย์ครับและคนชั่วร้ายเสแวงชีวิตของเขาในข้อ11ครับสุดท้ายในวันนี้คนโง่ย่อมให้ความโกรธของเขาพุ่งออกมาเต็มที่แต่ปราดย่อมยับยั้งโทสะไวเ้เงียบๆพี่น้องครับคนโง่มักตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความโกรธ ตกอยู่ภายใต้ความโกรธเกรี้ยวกราดนะครับได้ง่ายง่ายกว่าคนอื่นเยอะแยะมากมายแต่ในทางกลับกันครับใครที่เป็นปรารเขายอมรักษาการควบคุมตัวเองไว้พูดง่ายๆก็คือเซลฟ์คอนโทรลซึ่งเป็นผลของพู้วิญญาณบริสุทธิ์อย่างหนึ่งครับปรารถนั้นสามารถที่จะยับยั้งโทสะได้เมื่อเวลาเขาโกรธนะครับเขาสามารถยับยั้งได้ควบคุมได้สามารถทาให้สงบได้เหมือนกับทา พายุให้สงบพี่น้องครับพายุขึื่นลมนะครับแม้ว่าบางครั้งมันจะเกิดในใจของเราแต่คนที่เป็นปราดคนที่มีสติปัญญาคนที่มีพระวจนะของพระเจ้าคนที่มีการยับยั้งชั่งใจซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาสามารถเก็บไว้ได้ครับและนี่คือสิ่งที่ผมยืนยันได้ว่าเก็บได้จริงๆขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เรา จะสามารถที่จะอยู่ห่างจากคนโง่ได้อย่าไปใกล้ชิดกับคนโง่ครับอย่าไปมีเรื่องมีราวกับคนโง่ครับอย่าไปขึ้นศาลนะเป็นคดีความกับคนโง่แล้วก็อย่าไปเถียงกับคนโง่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเลือกด้วยที่เราจะไม่มีพฤติกรรมของคนโง่แต่ในทางกลับกันครับเราจะมีพฤติกรรมของปราดเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและโปรดอย่าลืมนะครับว่า ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาอาเมน